หรือพอผักใสลรังเกียดปฏิเสธจิตมันก็ดิ้นที่จะผลักออกไปทั้งหมดนี้นี่แหละนะมันก็จะละทำให้เกิดความทุกข์เมื่อยินดียินร้ายแล้วผักใสไขวคว้าสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือทุกข์ใจหรือเกิดความรู้สึกว่ากูทุกข์นะนะจากช่วงที่เกิดทุกขเวทนาทางกาย ด, ดร้อนนะร้อนกาย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 แล้วเรากลับมองว่าเออมันดีได้ซ้ำํำพ่ออะไรพ่อเรามีสติเพราะเรามีปัญญาแล้วคนฉลาดนี่มีหลวงพ่อท่านนึงพูดคนฉลาดคนดีเนี่ยใครปลาขี้หมาให้ก็เปลี่ยนให้เป็นดอกไม้ท่านพูดสั้นๆกระชับดีใครปลาขี้หมาให้ก็กลายเป็นดอกไม้หมายความว่าเขาจะพูดเขาจะดายังไงกับกลายเป็นดีซึ่งเราทําได้นะแม้แต่คนที่ไกลวัดนี่เขาก็ยังทําได้ถ้าเขาเขามี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 แล้วก็ดังขึ้นไวมากอายุ12บสนี่สามารถชนะแชมป์โลกได้แต่ไม่ได้แข่งแบบทางการนะอายุไม่ถึง25ห้าเขาติดอันดับหนึ่งในสามของโลกเก่งกว่าพาราดอนอ่พาราดอนแค่หนึ่งในสินะตองสิดชอยนี่เร็วมากพุ่งเร็วมากและตัวหลังพอก็พุ่งเร็วแต่ว่าเขาก็ตกเร็วเดี๋ยวนี้หลายคนก็ไม่รู้จักแต่เมื่อเร็วๆนี้เขาก็เป็นข่าวอีกเพราะเขากลับมาสู่วงการใหม่ก็มีคนไปถามเขา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 ตรงนี้แหละคือความหมายที่แท้ของคําว่าอินทรียสังวรเมื่อกี้เราสวดกันเนี่ยสํารวมในอินทรียสํารวมในทวานเอาคนส่วนใหญ่ไปเข้าใจว่าสํารวมในตาหูจมูกลิ้นกายคือว่าคุมตาคุมหูคุ ม, ค ม, คมจมูกคุมลิ้นอันนั้นไม่ใช่ความหมายของอินเสียสังวรหรือหรือความสํารวมในอินทรียความสมัมพันอินทรียหมายความว่าเมื่อตายเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสไม่ว่ามันจะเป็นบวกเป็นลบนะ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 พเราเรียนรู้ที่จะรู้ใจดูใจของตัวเองถ้าเป็นอย่างนี้นี่แหละนะมันก็จะทำให้เราเป็นอิสระต่อสิ่งว่าล้อมได้มากขึ้นตามลำดับเราไม่สามารถจะเลือกได้นะว่าจะต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของเราอันนี้ต้องยอมรับไม่ว่าจะร่ารวยมาจากไหนไม่ว่าจะยิ่งใหญ่มาแค่ไหนเราไม่มีสิทธิ์กักเกณฑ์หรือควบคุมบังคับ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 นึกในใจว่าเนี่ยเวลาสุขก็ไม่สมหวังเวลาจะทุกข์ก็ยังมีคนมาลังควานอีกเวลาสุขก็ไม่สมหวังเวลาทุกข์ก็ยังมีคนมาลังควานหมายความว่าหมายความว่าเขาอยากจะทุกข์ต่อไปไม่อยากใครมาลังควานตอนนี้อยากจะจมอยู่ในความทุกข์อยู่ในความเศร้าเพราะอะไรเพราะมันมีแรงดึงดูดทั้งที่นี่ไม่ชอบความเศร้าแต่ว่ามันมีแรงดึงดูดนี่คือไม่รู้ใจแล้วก็ไม่เห็นใจด้วยทําร้ายตัวเองทําไม กับความเศร้าความเศร้ามันดีนักเหลือถึงคลอเคลียถึงไปลุ่มหลงถึงไปจมอยู่กับมันก็ไม่ใช่นะแต่ว่าเป็นเพราะความไม่รู้ตัวเนี่ยไม่รู้ตัวเพราะไม่รู้ใจเมื่อไม่รู้ใจก็เลยไม่เห็นใจตัวเองก็เลยทําร้ายตัวเองทิ่มแทงตัวเองซ้ําเติมตัวเองแล้วเราก็ไปโทษคนนู้นคนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราถึงเวลาแล้วที่เราจะเลิกเรียกร้องคนนู้นคนนี้ให้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 ซึ่งถ้าเราผ่านได้เราก็จะมีแต่ความเจริญและความผาสุก